ต, นน ต, ตอในนี้มาฟังเคสสตีกันเคยรักเองโลด โคตรัก oh. เองเลยอืมบันทึ้เป็นเคสติเก้า mm hmm. ร้อยี่สิบเจ็ดรผมมีอาชีพเป็นผู้กากับภา พ, พยนตร์อืมอืม <c oughs> ไม่ธรรมดา <c oughs> และทำงานในวงการมาอย่าที่เพิ่งจะเริ่มกับว่าประธรรมการมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่ง ที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมากไ อ, อ้เกียติังขนาด น, นั้น <laughs> อีกทั้งยังมีหลายช่วงของชีวิตที่ผมต้องโคจรมาพบปะเจอเจอเขา <laughs> แต่ว่าโลกลมนะซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ละความพยายาม ในการชี้ทางสว่างให้กับผมมา น, นานกว่าหลายปีแล้วพราะเขายืนยันว่าฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธ อ, เ, อ, อเราทั้งสองจึงต้องโครจรมาพบกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> หลายปีนะ <c oughs> นานกว่าหลายปีแต่ว่าไม่ธรรมดาจะต้องรักมากเลย <c oughs> เรียกว่าถึงจะติดตามกันมาขนาดนี้เลย ผมก็สมวงการมายาเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กจากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานโดยมีสิ่งหนึ่งเป็นแรงบันดาใจหลักเพราะความอยากรวย oh. <c oughs> อสรุปว่าพัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานโดยมีความอยาก รวยเป็นแรงมรรนานใจหลักไม่กล้ากลัวหึมอ่านดีไหมดีครับจึงน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เองอืมความอยากรลยเขียนเองและอะไรเองอีกพิมเองพิมพ์เองขายเองขายเองโฆษณาเองโฆษณาเอง ซื้อเองซื้อเองปรากฏว่าเกง่งเเก่งมากโอ้โอ้นึงเก่งนั่งดีเลยแจ้งสนิท ค, ครับอืมจริงๆเรื่องเขาเศร้านะแต่เราไปจะมองฟังเรื่องเหงาๆทำไมใช่ครับที่ทำให้ผมนี่ติดนี่โรงพิงอิลุงตุงนัง อ, อ, อ, อ, อยู่หลายแสนบาทจนสุดท้าย ก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้นี่ที่อเมริกาผมเริ่มธุรกิจโดยการล้างจานให้จานนี่น่ารักพร้อมเดียวใส่อาหารใหม่เสมอเองหมจ๊ะเราจะไปเริ่มก็เป็นงานตามต้อยนะงานสูงสงทีเดียว ถ้ามีมีบุคคลเช่นนี้แล้วก็กินไม่ได้ไไดอาหารบูดหนึ่มนี่นะจ๊ะและ้วเจอเทพระบุตรแห่งความสะอาดล้างจานเพื่อให้โอกาสอาหารหาชุดใหม่เข้ามานี่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พาสุธิรักษ์ของผมไปด้วยพยายามผมนะผมขอพูดด้วความสุจริตใจ เขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้าไม่ได้รักผมก็ไปเลือกว่ะแล้วก็ที่สองมันคือผมเนี่ยเป็นคนกินเก่งแล้วเขาก็ทำขนมเก่งมาก อ, อ่าไอ้แม่จ้ะออต่างคนกินเก่งกับคนทำขนมเก่งๆ เ, เ, เนี่ยต้มันต้องอยู่ด้วยกันออถ้าทำขนมมาแล้วไม่มีคนกินนี่งุนหงิดไหม งูดหงิดอยากินแตไม่มีคนทำอาหารอร่อยนี่แหละงูดหงิดอีกไม่ไหวแต่นี่เห็นไหมจ๊ะพอเหมาะสมกัมไมเจ๊ะสมกันเลยนี่เราจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลองสันนิษฐานสิครับว่าผมรักกันในช่วงไหนช่วงที่ผมตกงานโอ้มันก็ซีฮาตกันสิเห็นใจกันเห็นไหมจ๊ะ และนับจากนั้นก็ร่วมทุกร่วมร่วมสุขที่จริงเนี่เราเป็นสามีภรรยากันเราควรจะร่วมสุขอย่างเดียวนะี่ก็โดยการสร้างทามบารมีให้เยอะๆแล้ า, าทำมั่งไปทำมั่งทำมั่งไม่ทำมั่ ง, ง, งเราจะได้ยินคำนี้ว่าร่วมทุกร่วมสุขเราจะมีชีวิตสิ่งนี้ไปทุกชาติ้ยเพราะว่าเออเจอกันเนี่ยเรานี่นะเป็น พูดทุกคู้ยากร่วมทุกร่วมสุขหรือเอาคู่สู่คู่สบายคู่สู่คู่สบายอ่าเห็นไหมใจนี้แล้วแต่เราจะดีไซน์ชีวิตของเราเราจะเอาแบบชีวิตอย่างไงเนี่ยเราจะร่วมทุกร่วมสุขกันเพื่อเรียกความหลังมาเ <c oughs> วลาจะทะเลาะ ก, กันทีบันนึกถึงนี้แล้วก็ซึ้อเงินดี <c oughs> <c oughs> เห็นความดีซึง่งกันแล้วกันหรือเรารวยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลย <c oughs> อ่าแต่อันนี้ นลังจากนั้นเราก็ริ่มทุกร่วมสุขด้วยกันมาตลอดก็ถามผมว่าผมรักเธอมากเท่าไรผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรรู้แต่เพียงว่าสุดชีวิตเลยรักไปชีวิตโคตรรักเลยลผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรเนี่ย และในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เองผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโ mm hmm. ดยหวังว่ามากลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วจะไปเสนอให้หนายทุนไปหาคนออกงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้นี่จนหมด mm hmm. ผมก็ได้พาป ร, ปรยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกัน mm hmm. โดยหวังว่าจะเป็นผู้กำกับหนัง จะก็นไปเป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครซื้อไม่มีใครบทหนังของผมเลยทายผมกับภรรยาต้องมีชีวิต ก, กันอยู่กันอย่างรุ่มรุ่มดอนดอนด อ, นอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ทุกข์คยากนะจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูก อ, อกทุกใจสามารถสร้างเรตติง้งกับทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดี ผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้มีตังเหลือสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับความรักของเราสองคนที่ตาผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่เธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจากนั้นเราต้องห่างกันเป็นเดือนซึ่งเป็นห่วงเวลาแห่งความทรมานจิตใจเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราตาไม่ทิฐิไม่อยอมปรับความเข้าใจกัน ทิฏฐินะั้มีได้นะี่ยนะแต่ควรเป็นสัมมาทิฏฐิะนะจ๊ะคือมีความเห็นถูกต้องไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจทั้งที่เราต่างก็รู้ว่าเรานขาดกันไม่ได้ซึ่งผมก็เลยจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปปล่อยให้มันผ่านไปซึ่งผมไม่รู้จะปล่อยไอ้บันเสียเวลาทําไมทําไมแค่โทษ ชวนเธอมาดูดี c แค่นั้นแหละกำแมงความไม่เข้าใจก็จะล่มสลายแล้วเทพบุตรเทริดาทั้งสองเนี่ยก็จะได้อยู่ใกล้กันกว่าที่เคยใกล้จนวันบ่นหมอนมอที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมา แล้วก็ขับรถเลียบเขาพุ่งตกมาในทะเลไอ้ตะดีกันตั้งแต่จันแรกก็ไม่มีปัญหาเลยอย่ากโกรธกันนานเลยจ้ะโกรธกันวินาทีเดียวกับพอแล้วก็ควรจะโกรธกันคนละเวลาเนี่ยแล้วก็โกรธเช้าล้วไปเฉยเฉยเราไปโกรธอบาบ่ายหรือโกรธตอนเขานอนหลับพอเขาตื่นเขาโกรธแล้วก็ข่องน้า จะไปโกดเวลาเดีวยวกันหรือโกดยานานเธอเมาแล้วขับรถเรียบขาวและพุ่งตกทะเลสภาพรถทังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและผู้คนมากมายต่างรายล้อมร่างแต่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วระยุงเธอก็มาในสภาพที่สมองตายตั้งใจอยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้ ยังได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีกสองวันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหารเพื่อว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้อาจเธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ ป, ปาฏิหารนี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึง่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตาม แต่แล้วในสุดก็ไม่มีปาฏิหารใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาการจากแต่งเธอยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมในที่สุดจนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอ และที่สำคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้ภาพอดีที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงมันอีกเลยในวันที่เธอจากไปผมอยากย้อนเรื่องราว คออยากจะขอดูแลเธออีกครั้งหนึ่งอยากจะขอดูแลแรกแท้ของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากการตางเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนนี้เขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงเธอผมและเพื่อนนึกว่า เธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายในเจ็ดวันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตาย มียังอยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลาซึ่งก็จริงครับนับจากวันที่เราเจอกันความรักที่ผมมีให้เธอไม่เคยตายแทกใจผมเลยหลังจากระยะจากไปชีวิตผมก็เริ่มลุ่มลุ่ ม, ม น, นันอนอีกครั้งหนึ่งเพราะความเสียใจแต่ผมทร ง, งานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบสองปี งานเขียนดีๆไม่มีออกมาเลยเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มลอยหล่อลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนานนาชาติซึ่งก็เทอมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ริยาอยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปเหมือนทำให้ชีวิตผมก็เริ่มดีขึ้น ปรับตัวได้ดูแลลูกได้ดีแล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกสลกเรียกเสียงหัวราจากคนดูได้อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกร mm hmm. ชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับ ชีวิตดีขึ้นเป็นเดวีคูณแม่เวลาจะผ่านไปนานกว่าแปดีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างที่นิที่ไม่อาจจะกำหนดวันสุดวันสิ้นสุดได้เพราะว่าเธอนํำไม่เคยตายไปจากใจของผมเลยแปดปีมาแล้วเนี่ยผมที่เขียนบทภาพยนต์ที่ตั้งใจทำเด็ดเธอก็เรื่องหนึง่ง ตึงเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราสองคนโดยผมมองว่านในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมานั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมานั่งดูหนังที่ผมทำขึ้นเพื่อเธอด้วยกันและเธอมาจริงๆลละและในสุดบทหนังของผมก็ผ่านการอนุมัติได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์ แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ผมสามารถสร้างถ้ายแมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิลม์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้ายผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูก แล้วผมก็ดูฉากสุดท้ายซ้ำๆหลายครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนอย่างมีความสุขผมอยากบอกว่าผมรักเธอทั้งหมดของหัวใจเนี่ยก็อยากให้เป็นแบบความฝันนะแบบนีนหนังนะั่นนรผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้ขอคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึง้งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน หันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้ภัยกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้ที่ดีนั้นมีจริงๆนั่นก็คือเสียงกำลังจพืดวงใจของเจ้าของเคสจะเรื่องจริงกันในหนังนั่นม่ควเรื่องกันนี่เรากำลังจะศึกษาก็เรื่อนกฎแห่งกรรมอาจารย์เรากำลังศึกษาเรื่องเหตุผลของชีวิต ว่าผลของชีวิตมาประสบอย่างนี้มันมาจากเหตุอันใด ท, ที่เราประกอบมาจากในอดีตนะจ๊ะนี่เรากําลังเรียนเรื่องเหตุเรื่องผลกันที่บอฟังคําถามเลยบุพ ก, กรรมในท้ายผมมีชีวิต ท, ที่ขึ้น ข, นขนลงลงหลายครั้งและเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมาครับต้องแก้ไขอย่างไรครับ ในความรู้ตรงนี้ยังขาดแคลนเนในโลกนี่อุปรกรณมไดที่ทำผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มีอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องหนึ่งทําไมผมต้องรักภรรยาผมมากๆและมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอินฟินิตี้แล้ว ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรนี่เป็นคำถามนะจ๊ะค้างคาใจไปหาพระไปหาพระค้างคาปจจัตวายรีบมาตวายอ <c oughs> <c oughs> ุปกรรมใดที่ผมต้องจะล่าภรรยาภริยาต้องมาจากผมไปโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอุปกรรมใดของผมที่มีภริยาอายุสั้น พระชายาได้พระยาผมไม่ใช่เธอพระยาผมยายุสัน้นหรือไม่ครับนี่ถามเผื่อตอนนี้ใช่หรอือเปล่าเพราะยังแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยยังกลัวว่ามีแล้วพระยายุสัน้นตอนนี้ยกําลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งว่าถ้าสมมติว่าเมื่อตัวแท้ไม่อยู่หาตัวแทนนี้ได้ไหมเพราะตัวแทนกลัว จ, จะไปเหมือนตัวแท้ ก็อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบคือถามมาผัวนิ้วแต่ชาตินี้พรรยาผมไม่ใช่เธอแร้วาผมจหญ่ยุสันต์รู้ไหมครับนี่ตอบอย่างหนึ่งก็จะทำอย่างหนึ่งตอบอย่างก็จะทำอีกอย่างอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ต้องช่วยกันคิดนะวันนี้ก็ถามมาเราก็ต้องช่วยกันสานนิทานวิทยาว่าเราจะตอบเจ้าของเคสว่าอย่างไร บุพกรรมใจเธอต้องประสบอุติเหตุขับรถตกทะเลตายอายุสั้นอันนี้น่าศึกษา่อเธอตายใหม่ๆเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็น่าเรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับคพริบแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าผมกำลังคุยกับเพื่อนผมเรื่องเธอจู่ๆก็คริบ แล้วจะไปให้ผมคิดถึงเธอได้ยังไงในเรื่องราวเกี่ยวกับเธอทำไมผมนึงฝันนึงเธอในช่วงเจ็ดวันแรกพอเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนในโลกนะอยากจะรู้ผู้ติตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นบนรรพุตุลบุปการีสามีภรรยาหมู่ญาติแรงๆตายแล้วเป็นไหน ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนี่เขาหนเห็นใจนะที่เขาจะต้องถามอย่างนี้ <M> เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับ <M> อืมเดี๋ยวก็เจอคําตอบแต่เราก็ต้องคอยให้กำลับบงใจเลยคอยทรงดูสิเราลองสันนิษถามวิทยาที่ว่าเธอยังรักและคิดถึงเจ้าของเคสไหอเธอ รู้หรือไม่ว่าผมน่ะสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลดโทษรักเองเลยใเธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟั ง, งเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับอืม เราต้องชวนกันสนิษฐานนะจ๊ะพาเธอมามาฟังมาดูหนังอะไรกันไหมคือเห็นใจเจ้าของเคสเนแปดปีที่ผ่านมาแล้วเขารักกันมากเนี่ยแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะความรู้สึกดีๆยังมีอยู่หรือความรู้สึกที่ไม่ดีชั่วบุ้พไฟตันนั้นมันวูบชั่วแับเดียวอะไรนั้นเองมันก็เลยเลยไม่ปรับความว่าใหญกันผมทําบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับ นี่ยังรักและห่วงใหญ่เลยจ้ะ<ฆ>บุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับอมผมก็จะทําบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆ อ, อ่า น, นีนา่ในเรียนดูบานฝันนีนฝันวิจาเดี๋ยวเราจึงช uh ่วยกันตอบว่าผมควรจะทําบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่ายังรักและห่วงใหญ่มากอแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับเราจําประโยคนี้ให้ดีนะครั้งสองคำถาม ถ้าตอบไปแล้วเนี่ยจะทำตามนั้นได้หรือเปล่านี่ถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นเนี่ยจะทำตามความปรารถนาของเธอได้ไหมและถ้าตอบแทนเธอล่ะจะรับได้หรือเปล่า<ป>หรือรับได้แต่ทาไม่ได้ื <c oughs> อ้ทำได้ต้งรับต้งทาได้ ผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อะอดีตชาตเคยเป็นอะไรกับผมมาทําไมก็ต้องมีอิทธิพลต่างความคิดของผมหลายเรื่องแล้วเราต้องมาเกื้อกูลหนึ่งครับแล้วทําไมอันนี้น่าศึกษาจ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่<ไ>เป็นคนพูดเร็วมือม้เก่งกลาจต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอ่าอันนี้น่าศึกษา ทำไมผมถึงมีความถนัดในการเขียนคำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากครับแล้วทาไมเกิดมาจึงเป็นตลกนี่เราเพิ่งรู้นี่ น, นะนะเรื่องแต่งแตเขียนมาตั้งแต่แ ต, แ ต, ต้นมันก็ทั้งบาหนี้ยังไม่พบบทตลกเลยพบแต่ บ, บทโศกสรสดรักโศกสรสดเพิ่งรู้เนี่ยทําไมเกิดมาจึงเป็นตลก แล้วทำไมผมชอบทำตลกแล้วทำไมผมชอบสอนคนหัวเราะอดีชา่าผมไม่เป็นอะไรมาไปสร้างบารมีกัมูกันะมาไหมครับในรูปแบบใดหนีบุญบุญไหมครับการสร้างหนังให้คนรักกันหันกลับมาทําความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันได้บุญก็หรือไม่ในประโยคอีกคําถามหนึ่งเราต้องฟังเนี่ย พราะคถามนี้และคนที่เอาพระมาทำเป็นหนัง <Hey. S 1> คือเอาพระภิกษุเนี่ยรือแสดงเป็นพระภิกษุ mm hmm. จากงนั่งที่ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆหรือนำพระภิกษุมาเล่นบทตลก oh. บาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับ mm hmm. จ้ะเดี๋ยวจะได้ดูมินิซีรีนี่แหละ oh. แต่จริงต้องส่งผลเวลานี้ oh. และเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จริงมีมีทุกวันเลยในอาทิตย์เนี้ย จะไม่ซ้ำกันเลยแต่นี้เอาเฉพาะคําถามวันนี้มีมินิซีรีกี่ยวกเรื่องนี้สิบนาทีนี่แหละจ้าอันนี้นะจ๊ะบุญในไทยผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทําอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์เข้ขมามามากๆมา ก, มา ก, มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องกลับไปมีชีวิตติดตกตามอีกแสดงว่าเบื่อชีวิตการลําเค็นแล้ว การเป็นแปลงรายเซนเนี่ยคือลายเซนทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรืออีหลักในการออกแบบรายเซนอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับออกแบบลายเซนในสมัยสงครามที่ลบกับกันที่เชียงตุงเนี่ยลอห้าท่านส่งชาวญาติท่านหนึ่งไปเป็นแม่ทัพ ไปลบปราบการการไม่สงบทีนี้ก็เงินเดือนมันหมดเลยก็ส่งทหารให้มาเบิกท <c oughs> หารก็มาเบิกทางคลังจังหวัดเชียงใหม่บอกต้องมีลายเซ็นตโอจากเชียงตุงมาเชียงใหม่มต้องข้ามเขาลงมไวยกว่าจะไปถึง แล้วก็นึกว่ามาพูดเพราะกำลังอยู่ในระหว่างศึก <Okay. S 1> อยู่ในสมรรภูมินี่มันก็ไม่มีเวลามเวลาที่จะมาเ mm hmm. ขียนลายเซ็นเพราะนั้นทางขงก็ไ่ให้เบิก mm hmm. ให้เบิกทางกองทัพขาดแคลนทรัพย์ mm hmm. มันก็มีผลต่อการแพ้ชนะของการศึก <Okay. S 1> กษตรทหารก็กลับไปบอกท่านแม่ทัพแม่ทัพ บ, บอกมาหนิม า, มาก็เขียนจดหมายเสร็จ แล้วก็วางไว้กับพื้นประทับลายเซ็นออยู่กับพื้นแล้วท่านก็ยืนอยู่มัเดี๋ยวจะประทับให้แล้วก็เอาลายเซ็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญอ้อบปึกลงไปเลยเนี่ยอ บ, บอบอาไปถ้าไม่ให้เงินมาเอาหัวมาด้วยอมืมีบันทึกกูไว้จะเอาลายเซ็นแบบนี้หรือแบบไหน คลังจังหวัดเห็นโอเคโอเคเออการเปลี่ยนลายเซนนีก็ดีเหมือนเออประทับลายเซนเพิ่งเคยได้ยินออใหญ่ที่เด้ยลายเซนนี่ใหญ่มปึกมั้ไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องเปิดเลยเบิกใจรสชาดีไหมนะ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็ตาตื่นขึ้นมาอาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโลกมีชีวิตขึ้นขึ้ น, นลงลงหลายครั้งเป็นวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากแล้วแน่ดีโลกทำบุญไม่สม่ำเสมอ เป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ดีเป็นช่วงช่วงจ้าจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบุญให้สม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ททำเดี๋ยวก็ไม่ทำ แล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทําให้ใจคุนเคืองเป็นต้นจ้าไม่ถือสามันแทบจะกระจบกับนไปถ้าถือสามันก็เป็นเรื่องไปราวทาไปถือสามก็เป็น ล, ลมเป็นแรงไปนะจ๊ะลูกและภรรยาลําบากมานดีการและตัวลูกรักภรรยามาก แ้วก็มีเธอบนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดละเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทําบุญก็ร่วมกันแล้วเนี่ยก็มักจะติฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตามที่มาทุกข์ยากด้วยกันกับเพราะอันนี้น่าศึกษาเลยจ้าทั้งศึกษา เมื่อเป็นสามีภริยากันแล้วก็มักจะทําบุญไม่ส ม, ม่ําเสมอดังกล่าว<อ>คือไม่ขาดใจกันทําอำก็โอเคไม่ทําก็โอเคอไม่เป็นการมีดให้สิ่งกันอะไกัน<อ>ขาดตรงเนี้ยนิดหนึ่งเพราะในเวลาสุขก็สุขด้วยกันเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน<อ>เพราะแรงอธิษฐานและเพราะทําบุญไม่ส ม, ม่ำเส ม, มอ ที่รักภรรยามากก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันแล้วก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้าลูกต้องทะเลาะกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความพอใจกัน กระทั่งเธอจากไปเพราะเรื่องมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาก็ไปอย่างเงี้ยผังเดิมเนี<ะ>่ยจึงเป็นเหตุให้ทะเละกัน<อ>และก็มีทิฏฐิมานะก็หากันทั<ะ>้งๆที่ลึกๆ ก, ก็รักกันมาก เป็นเรื่องของมีบุคคลที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของการครองรัก ท, ทั้งทั้งที่ลึกๆ ก, ก็รักกันมากบุคคลที่สามยังเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันแล้วก็มีทิฏฐิมานะเข้าหากันฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจ จกนกระทางวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยานะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่จะเอาอย่างไรดีอีฟ้าก็โกรธเคืองปนเสียใจว่าทำไมเธอทำกับฉันได้หรือทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยอันที่เป็นผังเดิมนะจ๊ะในที่ก็เป็นอย่างเงี้ยกะรักกันแล้วก็มีบุคคลที่สาม ก็เกี่ยวข้องค่ากระชาตกนี้ล้วก็เป็นเลาะกันมีทิติมาณักข้าหากันทั้งที่ลึกๆก็รักกันมากเลเดียวจึงทำ้่ายหนึ่งจับสนุจะเอาอย่างไรดีฝ่าก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทางวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยามาตัดรอนลูกในภรรยาอายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยาเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวลูกใช่ แถ้าจะมีภระยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้นซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภระยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสั้นเ <S S 2> ช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจแต่ละเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า ผู้ที่เราคัดมาแล้วจากสามพันกว่าล้านคนไม่มีกรรมปาธิบาติประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมไหมหรือจะเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นหน้าแรกมันเห็นไมจ๊ะมันเหมือนการแทงหวยหรือบางทีก็ถูกหวยบางทีก็ถูกหวยคือถูกกินเห็นไหมจ๊ะเธอระสบบัติเหตุรับรถตกเสเลตายและอายุสั้นเพราะ อันนี้ต้องศึกษาบางทีเราไปคิดเอาเองว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพระเจ้าสร้างกันมาประสงค์ให้เรากินได้เราดูสิว่าประสงค์ดีหรือประสงค์ร้าย<ะ>นี่กับในรดีชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกล ม, มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำมาก อ, มอีกทั้งเลี้ยงสุราด้วยบ่อยๆมารวมสงผลจช่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมใช่ อ้าสัตว์นี่แหละมากบ่อยๆเลยเอามาทำกับแกล้มเลี้ยงแากเหลือก็เฮฮะแต่คนสั่งค่าและคนข้าแบกวิบากกรรม่อเธอตายใหม่เธอก็โซสัตโซเีกลับมาหาตัวลูกที่บ้านพอตายหลุดไปอย่างกระตันหันนี่จะไม่รู้ตัวตายนะ ก็โซซัดโซเซตะเกียร์ตะกายเลยก mm ็ hmm. จะกลับมาหาใจก็ยังผูกพันกับเ mm hmm. จ้าของเคสเลยกลับเทพบุตรเนี่ย mm hmm. ไม่ไปหาใครเลยในโลก mm hmm. กลับมาหาตัวลูกที่บ้าน mm hmm. แล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวลูก mm hmm. ด้วยความรักและผูกพันที mm ่ในใจลึกๆเว้ากันล่ะแม้เป็นกายละเอียดมายังมีความรักและผูกพั น, mm hmm. แ, พนแต่สื่อสารกันไม่ได้ อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรรบาราว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตายพยายามมาบอกพอบ้านแตะฉันยังไม่ตายจะโผล่เข้าไปหาก็เหมือนอากาศเข้าไปหาวัตถุงั้นแหละมไม่รู้จะทำยังไงตะโกยังเสียงแหดเสียงแห่ว่าฉันยังไม่ตายฉันยังรักและผูกพันเธอแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เรื่อง เองก็คิดว่ากําลังบอกพอบ้านฉันยังไม่ตายตอนนี้ฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ hmm. กลับมาบ้านแล้ว oh. ไม่ดีใจหรืออะไรอย่างนี้ oh. กำลังพึงลํงาพันอะไรไปจ่ก็คื่อสางอีกฟ้าก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินแต่อีกฟ้าเห็นอีกฟ้าได้ยิน hmm. เห็นไหมจ๊ะ hmm. ที่ไฟดับลึบนั้นไฟตกจ้ะ hmm. อภอขอเหตุการณ์ที่เธอตาย เลยเข้าใจเหมาว่าเป็นเธอเพราะกาลังอยู่ในบรรยากาศนั้นแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเธอหรือใครเลยลูกฝันถึงเธอในช่วงเจ็บวันแรกไปเธอมาบอกว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายจริงจ้ะเราะฉยวยญาณติดต่อสื่อสารพูดคุยกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอยังไม่ตายใ น, นเจ็บวันแรกนะจ๊ะ เมื่ อ, อยาตนาตรงกันหรือความเหเอียดของใจตรงกันก็ฝันเห็นเธอได้ก็เห็นในความฝันถ้าตรงกันในตอนตื่นก็จะเห็นตอนตื่นแต่ตรงกันตอนหลับก็จะเห็นตอนฝันอเออทีนี้มาถึงตรงนี้ต้องศึกษากันแล้วแหล ะ, ละความรักส่วนความรักกฎแห่งกรรมส่วนกฎแห่งกรรมนะจ๊ะตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาถ้ามาศึกษาเราจะดาเนินชีวิต ไม่ถูกต้องผิดพลาดซึ่งอันตรายสำหรับชีวิตถ้าไม่ศึกษาตรงนี้นะจ๊ะสำหรับกําหนามนี้เนี่ยเห็นไหมจ๊ะว่าจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องกฎแห่าางกรรมเพราะเราจะตกอยู่ภายใต้กฎแห่าางกรรมทุกคนในโลกเลยตกอยู่ภายใต้กฎแห่าางกรรมทุกคนในภพทั้งสามเนี่ยในบากดีในสุกติภูมิดีในมนุษยโลกกดีล้วนจะตกภายใต้กฎแห่าางกรรมทั้งสิ้น แ ม, แ, มมมแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช่ไหมจ๊ะแม้แต่พระอรหันต์พระโมคคราทุกทุกองค์และเจอก็ถึงคำที่แตกต่างกันไป่อเธอตายแล้วก็เวนเวียนอยู่เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันแล้วก็มีเจ้านาทีพาตัวเธอไปยมโลกของมหานรลกขุมห้าด้วยกรรมดื่นสุราบ่อยๆตอนใกล้ตาย และเธอตายตอนเมาวิบากรรมนี้มาทรงพลเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่ใครที่โฆษณาเมื่อวานที่เอามาอ่านให้ฟังนะี่แหละก็เขียนอย่างเสียไม่ได้ว่าเดิมสุราผิดศีลข้อห้าแต่ข้างล่างก็บันดีไทยเห็นไหมจ๊ะสํานึกอะไรคำศัพท์จำไม่ได้สํานึกดีหรือสํานึก สำนึกดีสังคมดีสำนึกดีจริงหรือมันขาดไปตัวหนึ่งในนั้นเขียนแค่ย่อๆสำนึกดีสังคมดีมันขาดตัวลึกคําคำสำนึกดีลึกสังคมดีลึกเพราะฉะนั้นต้องเขียนให้ครบอย่าเขียนค้างถ้เขียนค้างนี่เลยว่าค้างคาใจตั้งไปถ้าแต่ค้างคาปัจจัย รีบ ม, รบมาถวายมาปิดกองซะ <c oughs> นี่ไมเจ๊ะบันดีไทยสังคมดีเขาว่ากันนะแต่ข้างบนเขียนเลยว่าดื่มสุราปิดสี่ห้านี่แปลว่าทั้งคนคิดคนเขียนคนพิมพ์คนออกคำสั่งหรือคนอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลยวันนั้นถ้าจะไอ้ ไ, ไม่ข้างซองบุหรี่ยัยงเกียนีลยถ้า สูบจะเป็นมะเร็งอันนี้ถ้าจะเขียนจะต้องเป็นโรคตับแข็งตับระเบิดอก็อรัวเดือดร้อนหรืออะไรต้องเขียนให้มันครบเลยอุบัติเหตหุอะไรต่างๆหายนะอะไรต่างๆพวกนี้ยต้องเขียนไว้ให้เน่ครบแล้วจึงจะมีบัลลังกดีชาติไหนก็แล้วแต่<ส><ง>แล้วก็เขียนถามว่าสํานึกดีหรือสังคมดีหรือเออมันขาดตรงนี้ไปไอ้ขาดคําว่าหรออืม อย่างนี้ไงต้งเขียนใหม่เลยหรอรถึงไหนละไปยมโลกคุนะ้มฮาใช่ขณะนี้ลูกต้องยอมรับความจริงนะลูกนะในเรื่องกฎแห่งกรรมขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายลุมพันกับคุมันทีกลอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทร ม, มานมาก ไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลก mm hmm. เร็วๆเจ้ mm hmm. อยากพ้นทุกข์มีแต่ลองโอดโออย่างเดียวน้ำทองแดงก็เรืนน้ำโลหะ mm hmm. ร้อนๆเหลวๆนัๆๆ่นแหละ mm hmm. และร้อนในยมโลกนี่มันร้อนกว่ า, าดวงอาทิตย์ mm hmm. เอาดวงอาทิตย์ใสลงไปบ๊บละลายเลยดวงอาทิตย์ละลาย นี่ไหมจไม่น่าเชื่อเลยเงินเราไปซื้อเหล้าออมามือเราแก้วเราปากเราดื่มเสร็จตามลำพังแล้วเราไปนอนก็จะ ไ, ไปเบียดเบี่ยงใครกฎหมายก็บอกไม่ผิดแต่มันผิดกฎแห่งกรรมผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมว่าทำงี้จะต้องไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เห็นไหมเจ้ามันทําให้ใจหมองหมองตั้งแต่เริ่มคิดจะไปซื้อเหล้าอันหมองมาแล้วเนะี่ยสํานึกดีลึกตั้งแต่จะไปซื้อแล้วนี่พอไปซื้อเห็นไหมเจ้าสำนึกดีลึกอึ้นกลับมามันยังไมปดื่มยังอยู่ในขวดสํานึกดีลึกเพราะปอเพอไอ้น้ํานี่เข้าไปในตัวเราแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบความคิดคําพูดและการกระทาของเรานี่ จากที่เิดคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดไม่ดีไม่ชั่วทำพูดไม่ดีไม่ชั่วทาไม่ดีไม่เช่อาเป็นคิดชั่วพูดชั่วทำาชั่วแล้วมันก็สั่งสมความหมองไว้เซ็ตโปรแกรมไปนี่อา จ, จตอนนี้ไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยา ก, อยากจะพ้นทุกข์อากยิมรรคโลกมากมากมากตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทาเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คือ อยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจันอยากพ้นแต่เธอก็ยังไม่รู้จะพ้นได้ยังไงเนะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทําให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้น ให้ลูกทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ําเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่ําเสมอแล้วอุทชดบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆเธออยากได้บุญทุกวันแต่ว่าลูกก็ต้องทําบุญทุกวันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าทําบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดย่อ น, อนโทษลงมาทุกวัน พรบุญนี้เท่านั้นบุญเท่านั้นจึงจะไปตัดรอนบาปได้วิบากกรรมนี้ได้อย่างอื่นไม่ได้ยิ่งถ้าลูกปฏิบัติทานจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกแล้วอุทิตบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพเป็นบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือพระในตัวที่เป็นกุศลอนิมิตก็ยังมีอนุภาพมาเราขอบุญนี้ให้อุทิตไปถึงเธอที่อยู่ในโยมโลก ให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บ่อยๆบุญที่กลาถึงพระธรรมกายนี่แหละจะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นจ้ะเร็วกว่าการรักษาศีลและการทําทานแต่ถ้าครบทั้งทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าลูกรักเธอจริงลูกก็ต้องหยุดนิ่งให้ได้จ้ะรักเธอจริงลูกต้องหยุดนิ่งให้ได้ รักเธอจริงหรือเปล่าจ๊ะถ้าลักเธอจริงลูกก็ต้องหยุดนิ่งให้ได้ไม่เสียตังค์เลยไม่เสียเงินแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจภายในไปกลางกายแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ทำแค่นั้นละเดี๋ยวก็เข้าถึงเองตัวลูกและเพื่อนในวงการที่ชวนลูกมาวัดนั้นในอดีตชาติเมื่อพุทธนรนที่ผ่านมา เคยเป็นเพื่อนตลกแสดงร่วมกันมาในคณะละครเรขก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เขาไปเป็นตลกลวง <c oughs> คือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเร่คณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เขาไปเป็นตลกลวงของพระราชาแคว้นหนึ่งของแคว้นหนึ่งนะใช่เนี่ยเป็นเพื่อนกันในนั้นและประกอบด้วเพื่อ น, นคนนี้เมื่อ เป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกหลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนะี่ยระชินั้นทำให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกือ้อกูลกันมาด้วยจ้ะชาตินี้จึงต้องมาเกือ้อกูลกันดีเ oh. ขาจึงจึงขรู้สึกมีเหมือนมี ทธิพลทางความคิดต่อลูกในบางครั้งเรงแต่ถ้าเขาแนะนําอะไรสิ่งที่ดีๆเรงดัลงลูกจะยอมรับได้ลูกเป็นคนตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก้งกล้างเพราะแต่เดิมลูกจะเป็นลูกคนลูบล้อแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมด น, นเะเราจะ เห็นคนเ ต, ตี๊ยวก็จําเขาเอามาอวดที่เราได้ยินประจําอวดอ่าคือจําแล้วเอามาอวดผู้ชมจําเห็นคนตัวเตี้ยมาแล้วก็มาแสดงท่าทาง ต, ต, ตา เ, าเตี้ยนี้ก็เตี้ยงงี้งี้งี้งี้งี้เอามาอวดให้ผู้ชมดูเห็นเขามือใหญ่ก็ไปทําอันนี้มือเขาใหญ่งี้งี้งี้งี้งี้แล้วก็เรียกเสียงว่าราออะไรไหน นี่ท้าเ้าใหญ่ก็เป็นงี้งๆๆงีนี่เขาพูดแล้วงี้งีมือไม้กลงๆงี้ๆอะไรต่างเพียงเพื่อคนได้ดูหัวเราะนะแล้วก็ชอบเป็นคนได้หัวเราะมาส่งผลใจประหัวเราะทีก็เด่งกันดีหัวเราะทีก็มันนี่แหละจะแก้ไขัวลูกก็ต้องอย่าไปล้อเลียนใครเขาจนเขาได้รับความอับอายขายหน้า แล้วให้มันทังสมบุญทุบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ลูกเคยไปเลาะเรียนเข้าเอาไว้บ่อยๆแจ้ mm hmm. ถ้าชานี้เคยไปเลาะเรียนใครก็ทําบุญแล้วก็ไปบอกเขาให้เขาอนุโมทนาบุญแล้ะขอโหสิต mm ัว hmm. ลูกไป็นความถนัดในการเขียนกํากับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบวิลาททางน้ำมากพระในอดีตสมัยพุทธนรนที่ผ่านมาลูกก็ชอบเขียนบทละครกํากับบทในคณะละคออรอเรดดังกล่าว แต่จะชอบบทตลกเป็นหลักส่วนบทอื่นก็เขียนเก่งด้วยจ้าวิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาส่วนชอบกีฬาทางน้ําในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำมาในอดีตล้ะจ้าลูกชอบทําตลกให้คนหัวเราะาะโลกเป็นตลกในคณะละครเอเรดดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัจยาิัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเราะบิกบานมันเทิง ลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจะลูกก็จสร้างบารมีกับหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภททำไม่สม่ำเสมอเวลาทำก็ทำเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทำอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะ การสร้างไหนหคนรักกันหันกลับมาทําความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่ากันละกันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงนะจ๊ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความมันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลง หรือคลายจากความโลบโกรธหลงเท่านั้นเลยจ้ะคลายตัวออกไปคนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งทั้งสิ้นใจพระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งส่วนรายละเอียดก็ให้ศึกษาในมินิซีรีต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งจ้า วิบากกรรมจากการล้อเหลียนพลังในยุคที่มนุษย์ต้องรีบเร่งในการทำมาหากินเพื่อสร้างฐานะในทางสังคมให้ทัดเทียมกับผู้อื่นอาจทำให้มองข้ามสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเล็กน้อยไปและลืมคิดถึงผลที่ตามมาว่า จะมีโทษภัยมหันขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่ไม่ควรละเลยเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสี่อย่างแล้วทรงยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกระสัไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว 2. อแอสอรพิษไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ามีเพียงเล็กน้อย 4. ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังนมโดยเฉพาะพระพิสุิ์ผู้ดำรงอยู่ในสมณะเพศซึ่งเป็นเพศสูงส่ง เรียกอุตมะเพศแปลว่าเพศที่สูงที่สุดส่วนเพศของครืหัตนี้เรียกว่าฮีนเพศแปลว่าเพศที่ตำ่ำการเกิดขึ้นของเพศที่นุ่งห่มภ้ากาสาวพัดบังเกิดขึ้นได้โดยยากพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างบา ร, รมีถึงยี่สิบอสมไข กับแสนมหากับจึงได้ตรัสรู้และประกาศพรหมจรรันยร์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กว้างขวางออกไปท่านผู้รู้บางท่านจึงเปรียบเทียบสมณะเหมือนกับไฟหากปฏิบัติผิดต่อสมณะก็อาจเกิดโทษภัยกับผู้นั้นได้เหมือนผู้ที่จับต้องไฟด้วยมือเปล่า ไฟนั้นก็จะเผาไหมมือของผู้นั้นได้แต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องต่อสมณะแล้วก็จะเกิดคุณอันใหญ่หลวงเหมือนกับผู้ที่รู้จักนำไฟนั้นไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความสว่างและความอบอุ่นแก่ผู้นั้นถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ยังไม่เห็นคุณของสมณะ กลับนํามาเรียนแบบด้วยความตลกขนองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจนลืมคิดไปว่ากำลังเล่นกับไฟอยู่ซึ่งการเรียนแบบพระนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนแบบพระอยู่เช่นกันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกรณีต่างๆคือ การล้อเลียนคือการทำกริยาท่าทางบางอย่างของท่านแล้วเลียนแบบด้วยกายด้วยวาจาทำให้เกิดตลกขบขันเช่นบุพกรรมของนางขุดจุตราคือนางหญิงข้อมที่เป็นคนรับใช้ของนางสามาวดีในอดีตชาตินางกุดจุตรา เคยเกิดเป็นหญิงรับใช้อยู่ในพระราชวังของพระเจ้ากรุงพาราณสีนางได้เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมารับอาหารบิณฑบาจากพระราชาเป็นประจำเพราะเหตุที่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านมีลักษณะทางกายที่ค่อมอยู่หน่อยหนึ่งซึ่งในชาตินั้น นางเกิดมาก็มิได้เป็นคนค่อมแต่เพราะเหตุที่นางได้ดูหมิ่นพระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยการล้อเลียนแสดงตนเป็นคนค่อมให้คนทั้งหลายได้หัวเราะเป็นที่สนุกสนานด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้นางต้องไปตกนรกอยู่ยาวนานพ้นจากนรกแล้ว ยังต้องมาเกิดเป็นหญิงข่อมเป็นที่ดูหมินของคนทั้งหลายในชาตินี้อีกส่วนในปัจจุบันก็จะมีการล้อเลียนในภาพยนตร์ที่แต่งกายเลียนแบบพระเพื่อแสดงเป็นพระในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดความตลกขบขันซึ่งถือว่ามีโทษมากคือ ได้ชื่อว่าไม่เคารพในพระรัตนาตรัยย่อมได้รับการดูถูกเยียดหยามในปัจจุบันชาติและจะมีวิบากส่งไปถึงภพชาติต่อไปนอกจากนั้นจะทำให้เกิดในตระกูลที่ต่ำที่จะถูกดูหมิ่นเยียดหยามมาตั้งแต่เกิด เช่นตระกูลจันฐานเป็นต้นได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตย่อมมีปกติฟุ้งซ่านและย่อมหลงตายคือตายอย่างไร้สติจิตย่อมเศร้าหมองทำให้ไปเกิดในอบายถ้าไปเป็นสัตว์รกก็จะถูกเจ้าหน้าที่ ถอนผมด้วยมือเปล่าผมจะหลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุกจนหมดทั้งหัวจากนั้นจะถูกนำไปลวกน้ำกรดจนหนังชั้นนอกลอกออกและนำขึ้นมาเคี้ยนตีด้วยแส้หนังจนตายทุกทรมานมากเมื่อมาเกิดเป็นเปล ก็จะมีลักษณะตัวผอมแห้งดำมีผ้าสีดำพันตัวถูกไฟลุกไหม้ยอยู่ตลอดเวลาได้รับทุกทรมานมากผลจากสภาวะของเปลดแล้วก็จะมาเกิดเป็นสัตว์กราฉานที่ถูกใช้ในการแสดงเช่นเกิดเป็นลิง ที่ถูกนํามาแสดงละครเป็นต้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างอัปลักษณ์เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของคนทั้งหลายตามกฎแห่งกรรมที่ตนทำเอาไว้โทษจะร้ายแรงไปกว่านั้นอีกถ้ามีการเลียนแบบไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ถึงแม้นการแต่งกายเลียนแบบพระเพื่อเป็นการแสดงบางครั้งจะมีเจตนาที่ดีเป็นไปในทางสร้างสรรค์แต่ตนเองไม่ได้เป็นพระจริงแต่แสดงตนเป็นพระก็ไม่ควรการที่จะนำจีวรซึ่งเป็นของสูงเป็นธงชัยพระอรหันต์ไปห่มเพื่อใช้แสดง ก็ย่อมมีโทษได้เช่นกันเหมือนจับมีดที่คมด้วยมือเปล่าย่อมอาจบาดมือทำให้บาดเจ็บได้ในกรณีนี้จะต้องใช้หลักมหาประเทศ4มาประกอบในข้อที่ว่าสิ่งที่ทรงบัญญัติว่าไม่ควรหากเข้ากับของที่ไม่ควร ขัดกับของที่ควรสิ่งนั้นย่อมไม่ควรดังนั้นการแต่งกายเลียนแบบพระเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแม้ไม่มีเจตนาไปในทางที่ลบปลูกและดูหมิน่นก็มีวิบากที่จะต้องไปเกิดในตระกูลต่างถูกดูหมิ่นเยียดหยาม ย่อมไม่มีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมแม้จะมีบุญไปสวรรค์ก็ไม่สามารถไปสวรรค์ชั้นสูงได้อย่างมากก็ไปเป็นคนทันในป่าหิมพานหรือสวรรค์ชั้นจาตกมหาราชิกายากขาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือฉันใด คุณเครื่องความเป็นสมณะที่รูปขลัมไม่ดีย่อมฉุดฆ่าลงสู่นรกขันนั้นนี่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะจ๊ะมีตอนที่สองสามสี่ห้าเอาวัละสอน บทตอนหนึ่มันตั้งสิบนาทีเนีน่ลูกเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะบุญนิทธรรมในช่วงศรัทธ า, า ก, าก็มักจะ่ติฐานว่าขอยมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอลูกก็ต้องทําบุญในสม่ำเสมอมาติฐานจิตละตั้งผังชีวิตอยู่หนึ่งนิจจ้า การเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั่นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิ ม, ดมชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอย่างเดียว ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญได้ติดฐานจิตตามติดบิดิศิศตรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เจดีย์พรัพกกเกลยาจาริ์ีกับเป็นเรื่องราวของเรสัต ด, ดีสั้นๆสำหรับคืนนี้